มสงบสักคู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวอาตมาพาแผ่เมตตานะเพราะพวกเราได้ทำคุณงามความดีได้ฝึกฝนตนในวันหนึ่งเต็มๆตั้งแต่เชา้จาจนกระทั่งเย็นถึงตอนนี้ก็ลองทำความสงบสักคู่หนึ่งทำความสงบโดยการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูแบบสบาย ไม่ต้องไปบังคับลงนะลมหายใจสั้นก็รู้ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวก็รู้ลมหายใจยาวไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปกาหนดไม่ต้องไปเพ่งลมหายใจแค่รู้สบายสบายจิตใจผ่อนคลายจากทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งบางคราวเราเคยทำผิดพลากับตนเอง คิดเมื่อไรเสียใจเมื่อ น, นั้นรู้จักให้อภัยตัวเองนะรู้จักมีเมตตามีความรักกับตัวกับตัวของเราเองบ้างให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้ว mm. ก็ขอให้ผ่านไปซะเป็นบทเรียนในการสอนนะเคยทำผิดทำพลาดมาก็ถือว่าเป็นอดีต ที่จะไม่เดินซ้ำที่จะไม่ทำซ้ารู้จักให้อภัยตัวเองรู้จักรักตัวเองบางครั้งบางคราวอาจจะเคยทำผิดพลาดกับคนใกล้ตัวกับคนที่เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วก็ให้อภัย ตัวเองที่เคยทำผิดกับเขาหรือแม้แต่คนอื่นเคยทำผิดกับเราเขาอาจจะได้มาขอโทษเราก็ยกโทษให้กับเขาไปนะจะไปผูกเวงผูกกรรมกั น, กนถือให้มีเมตตาต่อกันเพราะทุกคนก็เป็นเพื่อนมนุษย์หรือแม้เป็นเพื่อนร่วมโรคต่างๆต็งเป็นเพื่อนที่เกิดแก่เจ็บ เราก็จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบางครั้งบางชีวิตตายไปก่อนเราแล้วนะก็ให้อภัยกันอโหสิกรรมกันให้พวกเราแผ่ความรักความเมตตาความปรารถนาดีในจิตใจของเรานะให้ทุกสรรพสตว์ทุกสรรพชีวิต อธิษฐานจิตให้เขาได้มีความสุขความเจริญมีชีวิตที่มอกงามยิ่งขึ้นจนเขาถึงชีวิตที่ไม่ทุกข์คือพานิพานนะต่อไปพวกเราแผ่เมตตาพร้อมกันสัตเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทู เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันแรกันเลยอพยปาชาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึงกันแะกันเลย อานิคาโมตุจงเป็นสุขเป็นสุเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเธอ